นั่งตำธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือนะ ไ, ไม่เสียควางเคารพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังเรามาทําความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสฐานที่อื่นๆพระแสงทำที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคํา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 ไม่อยากควบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้นทายรูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าราศีไปที่ไหน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 ดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราอเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแล่คนเ่านี้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดหนอสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่ำกว่าสัตว์ภูิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสง่งเป็นภูมิที่ควรจะอดัดจกททำ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 ตั้งแต่การไมไหนเพราะทาไม่เคยมีพิษมีภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจค่าสนใจค่าเหตุค่าผลค่ า, าทำแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความจเจริญไปตามมีจานวนไม่น้อย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 จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่อตอัตตธรรมคารุกกราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยลําดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าสัตธาเทวมนุษย์สารหนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติเโบโุภคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธ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 ตามหลักศาสนธรรมที่สอนมานี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลํำดับนับตับ้งแต่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภายในจิตใจคือสําเร็จมากสําเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตติลุดนท้นไปโดยลํำดับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจนี้เพราะอํานาจแห่งาศาสนธรรมความมั่นพธะเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้น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 ไปโดยลำหนักลำหนักไม่มีที่สิ้สุดในการต่อไปก็ยังมีจะ ม, จะมีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคาตาของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นั่นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญ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 เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงอิปประเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทําแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าสวขาโตพระกัฏตาธรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแปลงแก้ไข ให้เป็นไปตามสมัยนั้นๆเหมือนโลกทั้งหลายโลกเหล่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีความแปรปรวนประจําตนโลกนี้ตั้งอยู่ในอยู่ใต้กฎของอนิจจังจึงหาความเที่ยงความแน่นอนความไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็ดมีตายมีสลายมีพักผากจักสิ่งนั่นจักสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและเรื่อยมาแล้วก็เรื่อยเรื่อยไปอยู่เช่นนี้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 ต้องมีวาสนาสมควรที่จะรับอัดรับธทรรมถึงได้นับในนับถือพุทธศาสน า, าได้ถึงในนับถือคนที่เขามานับถือมีมากมาย ก, กลาดกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นความของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจํานวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจทํามืดมนต้นตะการเถียจริงๆแล้ว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 อย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติคือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออ น, นิจจังทุกขอังอาตาต่านี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังาตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทั้งนั้นที่สอนเข้ามาภายในใจิตใจ นี่ยิ่งเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากสอนพนักจิตใจจิตใจเป็นยังไงเราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจิตเป็นยังไงตั้งแที่รู้อยู่ด้วยกันทุกคนเล่นจากคนตายเท่านั้นจะไม่จะไม่มีความรู้ภายในร่างกายคนเป็นต้องรู้แต่เราไม่ทราบว่ารู้ความรู้อันี้จะพาไปทางดีทางชั่วคิดวันยังคําคืนยังลุงมันคิดในแง่ใดบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้พระพุธทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดคิดในแง่ใดที่เป็น ที่จะนําสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั้นเป็นความผิดนีการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทกระเทนไร้สาระที่จะทุมเถือประโยชน์ได้คําพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนี่ให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดโทองก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทําอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความกระทกระเทือนตนหรือผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้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 ให้กำหนดพุโทโธเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับพุโทโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมให้ใจเข้าออกให้กําหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะเฉพาะด้วยความมีสติหยุดเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องระมัด ร, ระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสื่อต่อกันโดยลําดับลาดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไป เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความวุน่นวายที่เคยเป็ น, นภายในจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบและผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมานภายในจิตนี่แหละคือผลเนี่งการทดสอบจิตการรักษาจิตคือความสุขถ้าปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอํานาจแห่งกําลังความสามารถของตนที่ทําหากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชํานาญในการ รักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็พักตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ําก็ต้องขุนเป็นตมเป็นโคลนไปได้เพราะถูกกวนจิตก็ต้องขุนมัว จิตที่กุญมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดงเดียวเท่านั้นพราจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระทั่งคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าไกลเวลาเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกระทน่ะนี่แหละคือความปรงุงเพื่อรบกวนรบรบกวนตัวเองจึง ต, ต้องอาศัยการอบรมระมัดระวังจิตให้มีความสงบ ด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนเน้ะระลึกรู้อยู่นั่นโดยตลอดในขณะที่ทําภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความท่องไสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอํานาจแห่งการภาวนาตะล่ำเข้ามาจนสู่จุดแ ห, แห่งความรู้อย่างชาัดเจนนั่นสงบท่านเยาว่ากิตสงบ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 ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ใไข้ครวนถึงการที่จะให้ครวนพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามตัดตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในท่าในขันซึ่งเป็นกองอิจังทุกขัของน้าตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอก ก, กิจเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอิจังทุกข์ขอน้าตานี้ได้โดยสิ้นเชิง นั่นก็เป็นมิมุติดูดพ้นลงไปได้นี่แลคือทำประเสริฐประเสริฐที่ใจที่ดูดพ้นจากสิ่งที่กดทวงทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงอะไรทั้งหมดนี่แลพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมทำปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอรหันละหันท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาพูดเลาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทามการพูดกาุงงแตต่่ๆ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 โดยลำหนักใจนิ่แสเป็นมหาสมบัติไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติทรรเพียงเท่านี้